แล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีหลากหลายรสชาตินะคะทั้งเรื่องฝรั่งไทยจีนก็พยายามที่จะหามาสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนจะได้หลากหลายแล้วก็ไม่เบื่อตอนนี้มาถึงเรื่องฝรั่งนะคะ Animal Farm ซึ่งเป็นนวนิยายขนาดสั้นที่จัดว่าเป็นวรรณกรรมอมตะของจอร์จออเวลนักเขียนชาวอังกฤษ เป็นหนังสือดีที่อ่านเมื่อไรก็ยังคงได้แง่คิดแล้วก็โดนสุดๆเลยนะคะเขาบอกว่าวนกรรมดีๆเนี่ยเนื้อเรื่องจะต้องไม่มีการเวลาสามารถที่จะใช้ได้อยู่เสมอหมายถึงว่าพราะในแนวเนี้ยยังคงทันสมัยทุกยุคทุกสมัยเรื่องราวยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าจะต่างกันที่ตัวละครแล้วก็บริบท ของเรื่องราวเท่านั้นเองวันนี้ Animal Farm มาถึงตอนที่8ซึ่งเป็นตอนอวสานแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะเป็นนวนิยายขนาดสั้นเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาไม่นานละค่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้ Animal Farm มีหลายสำนวนนะคะคุณฟังเพราะว่ามีการแปล มาตั้งแต่ปี 2,502 นะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังในช่วงพักเพราะว่าวันนี้เป็นตอนอวสานเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วอินอยากจะไปหามาอ่านเองเนื่องจากว่าดิฉันเองก็ไม่ได้เล่าทุกตัวอักษรคุณสามารถที่จะไปหาอ่านเองเพื่ออัศรสนเป็นส่วนตัวได้นะคะแต่ว่าฉบับที่ใช้นี้เป็นของสำนักพิมพ์ใต้ฝุ่นค่ะ ปปลโดยคุณบัญชาสุวรรณนนท์แล้วก็ใช้ชื่อว่า Animal Farm Farm ขออภยัย Animal Farm สงครามกะบฏดของสัพว์สัตว์อันนี้คือชื่อในเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่นะคะ Animal Farm สงครามกระบดของสรรวสัตว์แต่ว่าทุกครั้งที่มีการแปลก็จะมีการใช้ชื่อที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ได้ฟังกันให้ได้เลือกกันว่าจะเลือกอ่านของสานวนแปลท่านไหน ความเดิมตอนที่แล้วนะคะแอนิมอลฟาร์มประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐโดยมีนโปเลียนเป็นประธานาธิบดีฟาร์มมั่งคั่งขึ้นมีการขยายอาณาเขตซื้อที่เพิ่มบ็อกเซอร์ป่วยแล้วก็ถูกส่งไปข้างนอกโดยรถที่เขียนข้างๆว่าเป็นพวกโรงฆ่ามา้าโรงกำจัดมา้า พื้นที่เอาเอาเอาซ า, ากม้าเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์พวกสัตว์ก็ตื่นตกใจนะคะเมื่อรู้ว่าบ็อกเซอร์จะถูกพาไปฆ่าแต่ซุปเปคเลอร์ก็บอกว่าไม่ใช่บ็อกเซอร์ถูกพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปตายที่นั่นได้รับการดูแลอย่างดีเลิศแต่รถตู้นั้นเป็นรถตู้ที่โรงพยาบาลซื้อมาจากโรงฆ่ามา้าและยังไม่ทันได้ทาสีทับต่างหากล่ะซคเลอร์ก็มาบอก ข้อมูลที่ทําให้บรรด า, าสัตว์เริ่มมุนงงสงสัยอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่บ็อกเซอร์จากไปแล้วพวกสัตว์ก็ยังคงทํางานหนักเหมือนเดิมแต่ไม่เคยได้อะไรจากการที่ฟาร์มร่ํารวยขึ้นไม่มีการปลดกเกษียณเหมือนอย่างที่เคยคุยกันพวกสัตว์ก็ยังคงทํางานอย่างหนักแล้วก็หิวกินไม่เคยอิ่ม วันเวลาผ่านไปมีสัตว์ใหม่ๆเข้ามาในฟาร์มสัตว์เก่าๆก็ค่อยๆทยอยล้มตายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทบไม่มีใครจำเรื่องราวการปฏิวัติได้มีเพียงสัตว์บางตัวที่ยังคงจำเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างเลือนรางแต่ถึงกระนั้นพวกสัตว์ก็ไม่เคยละความหวัง มันยังไม่เคยสูญเสียความรู้สึกเป็นเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่ได้เป็นสมาชิกของแอนิมอลฟาร์มไปแม้ชั่วขณะจิตเพราะว่าฟาร์มของพวกมันยังคงเป็นฟาร์มแห่งเดียวในมณฑลและก็แห่งเดียวในประเทศอังกฤษด้วยซ้ำที่สัตว์เป็นเจ้าของและดำเนินกิจการเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะกับตอนอวสานตอนที่8 ติดตามได้เลยค่ะ Animal Farm ตอนที่8ตอนอวสารช่วงที่1สัตว์ทุกตัวใน Animal Farm รู้สึกภาคภูมิใจที่ฟาร์มของพวกมันเป็นฟาร์มแห่งเดียวในประเทศอังกฤษที่ดำเนินการโดยสัตว์และจัดการเพื่อประโยชน์ของสัตว์คือสัตว์เป็นเจ้าของและสัตว์เป็นผู้ดำเนินกิจการชัาง น, นาภาคภูมิใจเสียนี้กระไรแม้แต่สัตว์ที่อายุน้อยที่สุด หรือแม้แต่สัตว์ที่ซื้อมาใหม่จากฟาร์มอื่นห่างออกไป10หรือ20ใหไม่แต่คราใดที่ได้ยินเสียงปืนดังแล้วก็เห็นธงเขียวโบกสะบัดอยู่บนยอดเสาสัตว์เหล่านี้ก็จะมีหัวใจพองโตคับอกด้วยความภาคภูมิใจแล้วการสนทนาก็จะหันมาสู่เรื่องยุควีรกรรมในอดีตเรื่องของการขับไล่ในโจรสการเขียนบัญญัติ7ประการ สึกครั้งใ ห, ใหญ่ที่มนุษย์ผู้รุกรานถูกขับไล่แล้วก็พ่ายแพ้ความฝันที่มีมาแต่เดิมยังไม่เสื่อมคลายไปจากใจของพวกสัตว์พวกมันยังคงจำฝังใจกับคำทํานายของผู้พันในเรื่องสาธารณรัฐแห่งสรรพสัตว์อันเป็นยุคที่ทองทุ่งอันเขียวขจีของอังกฤษจะไม่มีรอยเท้ามนุษย์เหยียบย่าสักวันหนึ่งวันนั้นจะมาถึง อาจไม่ใช่ในเร ว, วันนี้อาจไม่ใช่ในชั่วชีวิตของสัตว์ตัวใดที่มีชีวิตอยู่ในขณะ น, นี้แต่วันนั้นย่อมจะมาถึงจนบางครั้งอาจมีสัตว์บางตัวถึงกับแอบครวนเพลงสัตว์แห่งอังกฤษกันอยู่บ้างประปรายซึ่งก็เป็นเรื่องที่สัตว์ทุกตัวในไร่รู้ดีแม้ว่าจะไม่มีตัวใดกล้าร้องดังๆชีวิตของพวกมันอาจจะทุกข์ยากลําเค็น อาจจะไม่สมหวังไปเสียทุกอย่างแต่พวกมันก็ตระหนักว่าพวกมันไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆหากพวกมันหิวมันก็ไม่ได้หิวเพราะว่าต้องเลี้ยงมนุษย์ที่คอยกดขี่ข่มเหงหากทำงานหนักพวกมันก็จะนึกในใจว่าอยากน้อยน้อยมันก็ทำงานหนักเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่มีสัตว์ตัวใดในไร่เดินสองขาไม่มีสัตว์ตัวใด เรียกสัตว์อื่นว่านายสัตว์ทุกตัวเสมอภาคกันวันหนึ่งตอนต้นฤดูร้อนสกิวเลอร์สั่งแกะให้ตามมันไปและพากแกะออกสู่พื้นที่รกร้างท้ายไร่บริเวณที่มีต้นเบิร์ชอ่อนขึ้นเป็นดงแกะเล็มกินใบอ่อนอยู่แถวนั้น ภายใต้การดูแลควบคุมของสกิลเลอร์และพอถึงตอนค่ำสกิลเลอร์ก็กลับมารงนาตามลำพังโดยบอกให้แกะอยู่ที่เดิมเพราะว่าช่วงนั้นอากาศอบอุ่นแต่ผลสุดท้ายแกะเหล่านั้นก็ต้องอยู่ที่นั่นไปตลอดสัปดาห์และในระหว่างนั้นสัตว์อื่นๆก็ไม่ได้พบเห็นพวกมันเลย สคิวเลอร์อยู่กับแกะแทบทั้งวันทุกวันมันบอกว่ากำลังสอนแกะให้ร้องเพลงใหม่จึงต้องการความเป็นส่วนตัวสักหน่อยหลังจากที่แกะกลับมาได้ไม่นานช่วงเย็นวันหนึ่งที่อากาศกำลังสบายเมื่อสัตว์ทำงานเสร็จแล้วกำลังมุ่งหน้ากลับโรงนา พวกมันได้ยินเสียงม้าร้องอย่างหวาดกลัวดังขึ้นที่ลานพวกสัตว์ตกตะลึงจำได้ว่านั่นคือเสียงของโคโเวอร์พวกสัตว์พากันวิ่งกรูไปที่ลานแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ทาให้โคโเวอร์ร้องภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือภาพของสุกรตัวหนึ่งกำลังเดินสองขา s กิลเลนั่นเองมันกำลังเดินตัดลานไปด้วยท่าทางที่ค่อนข้างจะเทอะทะราวกับไม่คุ้นกับการประคองน้ำหนักตัวอันมากมายเอาไว้แต่ก็ทรงตัวได้เป็นอย่างดีครูต่อมาหมูตัวอื่นๆก็เดินเบรียงหน้าออกมาจากประตูบ้านเป็นแถวยาวโดวยต่างก็เดินสองขา บางตัวเดินได้ดีกว่าเพื่อนมีตัวหนึ่งหรือสองตัวที่เดินเก้ๆกลางๆสักหน่อยแต่อย่างไรก็ตามทุกตัวก็เดินไปรอบลานได้สำเร็จในที่สุดก็มีเสียงหมาเห่ากันโชคดังลั่นมีเสียงแหลมๆของการ้องและแล้วนะโปเลียนก็ปรากฏกายออกมาตัวของมันยืดตรง งสงสางกระตาไปรอบทิศอย่างไว้ท่าแล้วก็มีสุนัขประจำตัววิ่งบนอารักขาอยู่รอบกายนโปเลียนมีแท่ที่มันคีบเอาไว้ด้วยกีบตีนพวกสัตว์พากันอึง้งอัศจรรย์ใจแล้วก็หวาดภวาพวกมันเบียดกัน ขณะมองหมูที่กำลังเดินไปรอบลานเป็นแถวยาวรู้สึกเหมือนกับโลกกำลังหกเมนพลิกควา่าแล้วก็ถึงเวลาที่ความตกใจในช่วงแรกค่อยๆจางลงเป็นจังหวะที่สัตว์น่าจะเปล่งคำคัดค้านเพราะว่าพวกมันเคยท่องเอาไว้นี่นาว่าสีขาดีสองขาเลว แม้ว่าพวกมันจะกลัวหมาแม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะได้รับการปลูกฝังนิสัยให้ไม่รู้จักบน่นไม่รู้จักวิจารณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในขณะเช่นที่ว่านี้เองแกะทุกตัวก็พากันแหกปากร้องเสียงดังสนั่นขึ้นราวกับนัดไว้ว่าสี่ขาดีสองขาดีกว่าสี่ขาดีสองขาดีกว่า สี่ขาดีสองขาดีกว่าร้องเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนแกะมันจะร้องว่าสี่ขาดีสองขาเลวแกะร้องเช่นนี้นาน5นาทีไม่ยอมหยุดและเมื่อแกะเงียบลงโอกาสที่สัตว์จะเปล่งเสียงคัดค้านก็ผ่านไปเพราะว่าหมูต่างพากันเดินกลับเข้าบ้านไปเสียแล้ว เบนจามินรู้สึกว่ามีจมูกของใครมารุนที่ไหลของมันพอหันไปมองก็เจอโคเวอร์ดวงตาอันฟ้าฟางด้วยความชราของโคเวอร์ยิ่งดูฟ้า ฟ, า, ฟางยิ่งกว่าเดิมมันไม่พูดอะไรดึงขนแผงคอเบนจามินเบาๆชวนให้เดินอ้อมไปด้านหลังโรงนาใหญ่ที่มีบัญญัติเจ็ดประการเขียนเอาไว้ สัตว์ทั้งสองตัวยืนจ้องอยู่นานสักหนึ่งหรือว่าสองนาทีจ้องไปที่กำแพงผูพังซึ่งมีตัวอักษรสีขาวเขียนเอาไว้ก่อนที่โคเวอร์จะบอกว่าสายตาฉันไม่ดีแล้วแม้แต่ตอนยังสาวฉันก็คงอ่านที่เขียนไว้ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแต่ฉันรู้สึกว่าผนังนั้นมันไม่เหมือนเดิมนะมันหยัดเจ็ดประการ ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเบนจามินครั้งนี้เบนจามินตัดสินใจยอมแหกกฎอ่านข้อความที่เขียนไว้บนผนังให้โคเวอร์ฟังตอนนี้ไม่มีข้อความอื่นใดเขียนไว้นอกจากบัญญัติประการเดียวที่กล่าวว่าสัตว์ทุกตัวเสมอภาคกันแต่สัตว์บางตัวเสมอภาคยิ่งกว่าสัตว์อื่นๆ หลังจากนั้นก็ดูไม่น่าแปลกใจเมื่อในวันถัดมาหมูทุกตัวที่ควบคุมงานในไร่ต่างคีบแ่เอาไว้ด้วยกีบหมูซื้อวิทยุเตรียมติดตั้งโทรศัพท์สมัครซื้อนังสือพิมพ์แล้วก็ไม่น่าแปลกที่เริ่มเห็นน้าปลียนเดินเล่นในสวนของบ้านโดยคาบกล้องยาสูบเอาไว้ในปาก แล้วก็ไม่น่าแปลกใจอีกเมื่อหมูพากันเอาเสื้อผ้าของนายโจนส์ออกมาจากตู้แล้วก็เอามาสวมใส่นโปเลียนเองก็สวมเสื้อนอกสีดำกางเกงขาสามส่วนรัดใต้เข่ามีสนับแข้งทาด้วยหนังแล้วก็มีแม่หมูตัวโปรดของนโปเลียนสวมชุดผ้าไหมที่นางโจนส์ภรรยาในโจนส์เคยสวมทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ถัดมาในตอนบ่ายมีรถลากสองล้อหลายคันมาที่ฟาร์มตัวแทนจากฟาร์มข้างเคียงได้รับเชิญให้มาเที่ยวชมสถานที่มีการพาไปดูทั่วฟาร์มคนที่มาก็แสดงความชื่นชมต่อสิ่งที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะโรงสีลมซึ่งสัตว์กำลังกำจัดวัชพืชที่แปรงต้นเทอนิฟพวกมันทำงานกันแบบไม่ได้โงหัว แล้วก็ไม่แน่ใจว่าพวกมันควรจะกลัวหมูมากกว่ามนุษย์ผู้มาเยือนหรือไม่ค่ำวันนั้นมีเสียงหัวเราะและก็เสียงร้องเพลงดังมาเป็นช่วงๆจากตัวบ้านพวกสัตว์เกิดความอยากรู้อยากเห็นเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นเมื่อตอนนี้ สัตว์และมนุษย์มาพบปะกันอย่างเสมอภาพบรรดาสัตว์พร้อมใจกันคอ่คอยค่อยคืบคลานอย่างเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ลอบเข้าไปในบริเวณสวนของบ้านพวกมันไปชะงักอยู่ที่ประตูรั้วของสวนอย่างกลัวกลัวกร้าๆ ว่าจะเดินเข้าไปดีหรือไม่แต่โคเวอร์ก็นำทางเข้าไปพวกสัตว์พากันย่องตามเข้าไปในตัวบ้านเจ้าตัวที่สูงพอที่จะมองผ่านหน้าต่างห้องรับประทานอาหารก็มองผ่านเข้าไปแล้วก็เห็นว่าในห้องนั้นมีชาวไร่จำนวนหกคน แล้วก็หมูตัวเออเอหตัวนั่งล้อมรอบโต๊ะยาวมีนโปเลียนนั่งเป็นประธานที่หัวโต๊ะพวกหมูดูจะนั่งเก้าอี้ได้อย่างถนัดดีคณะผู้ประชุมกำลังเล่นไพ่กันอยู่ตอนนี้พักเล่นไพ่ชั่วคราวเพื่อที่จะได้ดื่มอวยพรเยือกใบโตถูกส่งผ่านไปรอบๆโต๊ะเพื่อรินเบีย เติมเต็มถ้วยทุกใบไม่มีใครสังเกตเห็นสีหน้าอันบ้องแบ้วของพวกสัตว์ที่กำลังมองเข้ามาตรงหน้าต่างต้องนึกภาพนะว่ามีสัตว์มองเข้ามาจากหน้าต่างนายพิวคิงตันแห่งฟาร์มฟอกบูดกำลังยืนอยู่ในมือถือถ้วยเบีย م เขากล่าวว่าอีกสักครู่จะขอให้ที่ประชุมดื่มอวยพรแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นเขาอยากจะพูดอะไรสักเล็กน้อยในผิวคิงตันซึ่งก็เป็นเจ้าของฟาร์มข้างๆเป็นมนุษย์ ที่บรรดาสัตว์เหล่านี้เคยบอกว่ามนุษย์นั้นเลวกดขี่เอาเปรียบเห็นกับตัว <How S 1> แต่ตอนนี้ <he sees S 1> หมูกำลังร่วมกินร่วมดื่มกับมนุษย์และมนุษย์กำลังจะพูดอะไรบางอย่าง <How S 1> กับผู้นำของแ n น m a อลฟาร์ ถ้าอยากรู้ว่านายผิวคิงตันจะพูดอะไรกับบรรดาหมูผู้นำเหล่านี้หมูตัวเอ่ๆทั้งหลายที่กำลังใช้ชีวิตเหมือนกับมนุษย์ที่พวกมันเคยจงเกลียดจงชังและพวกสัตว์ที่ไม่เคยมีปากมีเสียงไม่เคยอยากรู้อยากเห็นตอนนี้พวกมันจะได้เห็นอะไรได้รู้อะไร และพวกมันจะทำอะไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ช่วงหน้านะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่สองช่วงสุดท้ายนะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนอวสานของ Animal f a r รมงานเข่งของจอร์ดออเวลนักเขียนชาวอังกฤษนะคะ อย่างที่ที่กล่าวไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่ า, าเรื่องนี้มีออกมาเป็นหนังสือหลายสำนวนนะคะหมายถึงที่แปลเป็นภาษาไทยเนะะี่ค่ะทลายเรียงก็มีตั้งแต่ฟาร์มเดรชานแปลโดยหม่อมหลวงนิพาพานุมาตรในปี2502สัตว์ตวรัตแปลโดยอุทุมพรปานินสำนักพิมพ์แพรพิทยาปี2515 การเมืองของสัตว์แปลโดยวิเชียนอติชาติการนะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เครดไทยปี2อ1 8 Anim าร้อยสแปมลฟาร์มแปลโดยสุพรางเผ่าพันเลิศสำนักพิมพ์แพรพิทยา2อ1 8ฟาร์มสัตว์แปลโดยสายทานสำนักพิมพ์ประพันสารปสอพันห้าร้ี2ส2 0รัฐสัตว์แปลโดยเกียรติขจรชัยแสงสุขกุลสำนักพิมพ์มติชนปี2544 Animal Farm มแปลโดยพันเอกด็อกเตอร์ชัยพฤกปิลลกะซิริสสำนักพิมพ์ g มอร์นิ่งปีปี2549แล้วก็ Animal f a r ร์มสงครามกบฏของสัพพสัตแปลโดยบัญชาสุวรรณนนท์สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่นนะคะปี2555แล้วก็เป็นฉบับที่ใช้อยู่ใครที่สนใจก็ไปหาอ่านได้ตามสำนวนแล้วก็ของสำนักพิมพ์ที่คุณ พอใจได้เลยนะคะมีหลากหลายให้เลือกค่ะเอาละวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังตอนจบกันก่อนกันละกันว่าสุดท้ายแล้วพวกสัตว์จะรู้สึกอย่างไรกับความจริงที่มันได้พบแล้ว Animal Farm จะเป็นอย่างไรคิดว่าหลายท่านที่ยังไม่เคยอ่านก็คงอยากจะรู้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะกับตอนอวสานของ Animal Farm George Orwell พิวคิงตันบอกว่าเขายินดีมากแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนในที่นั้นก็คงจะยินดีเช่นกันนายพิวคิงตันบอกว่าช่วงเวลายาวนานแห่งความหวาดระแวงและเข้าใจผิดได้สิ้นสุดลงแล้วเคยมีช่วงหนึ่งแต่ก็ใช่ว่าตัวเขาหรือคนอื่นๆในที่นั้นจะรู้สึกเช่นนี้คือเคยมีเวลาช่วงหนึ่ง ที่พวกมนุษย์เพื่อนบ้านพากันมองท่านเจ้าของผู้ทรงเกียรติของ a n i m ม l Farm ์มด้วยความที่ด้วยความเป็นศัตรูนายพิวคิงตันก็บอกว่าแหมจริงๆไม่อยากจะใช้คำนี้เลยแต่บางทีอาจจะเรียกว่าเป็นความกินแหนงแครงใจก็ได้เหตุการณ์อ <pushed out> ันน่าเศร้าได้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราเกิดความเข้าใจผิดกันทั่วไป เคยรู้สึกกันว่าฟาร์มที่สุกรณ์เป็นเจ้าของและดาเนินกิจการนั้นเป็นเรื่องที่ออกจะพิลึกกึกกือชอบกนแล้วก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับฟาร์มข้างเคียงชาวฟาร์มหลายรายก็ทึกทักโดยไม่สอบสวนตามที่ควรว่าในไรเช่นนี้ย่อมจะมีแต่ความเหลวแหลกไรวินยัย ชาวฟาร์มข้างเคียงก็วิตกกังวลเกรงว่าจะส่งผลต่อสัตว์ของพวกตนไปจนถึงพวกคนงานนายผิวคิงตันบอกว่าแต่แล้วความหวัดหวันนี้ก็หายไปแล้วเพราะว่าวันนี้ตัวเขาและเพื่อนๆนได้มาเยือนแอนิมอลฟาร์มได้เที่ยวชมแล้วก็เที่ยวดูทุกซอกมุมด้วยตาของตัวเองแล้วเขาได้พบกับอะไร ไม่เพียงได้พบวิธีการใหม่ล่าสุดในการทำฟารม์มหากยังได้เห็นถึงวินัยและความมีระเบียบเรียบร้อยอันควรเป็นตัวอย่างแก่ชาวไร่ชาวนาทุกคนแห่งเขาเชื่อว่าอาจจะกล่าวได้ไม่ผิดพลาดว่าสัตว์ชั้นต่ำใน a อน m มอ f ฟา m ์มทำงานได้มากกว่าและกินอาหารน้อยกว่าสัตว์อื่นในมณฑลซะอีกที่จริงแล้ว ตัวเขาและเพื่อนๆซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเป็นคนทำฟาร์มที่มาเยี่ยมชมแ n i m ม l f ฟาร์มในวันนี้ได้สังเกตเห็นอะไรหลายอย่างที่ตั้งใจว่าจะนำกลับไปใช้ในฟาร์มของพวกตนทันทีนายพิวคิงตันบอกว่าจะขอจบข้อสังเกตด้วยการย้ำอีกครั้งถึงไมตรีมิตรจิตมิตรใจ ที่ยังคงดำรงอยู่และควรจะดำรงอยู่ต่อไประหว่างแอนิมอลฟาร์มและฟาร์มข้างเคียงหมูและมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันคือไม่จำเป็นจะต้องขัดแย้งกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องต่อสู้ฟันฝ่าแล ะ, ะเผชิญความยากลำบากเหมือนกันปัญหาแรงงาน ก็ไม่ได้เหมือนการทุกแห่งหรือพูดมาถึงตรงนี้เห็นได้ชัดว่านายพิวคิงตันกำลังจะปล่อยคำคมที่เตรียมมาอย่างดีในที่ประชุมแต่ครู่หนึ่งนายพิวคิงตันก็อดที่จะขบขันไม่ได้ก็เลยไม่ได้พูดอะไรออกมาหลังจากกรั้นหัวเราะจนสำลัก และใบหน้าที่มีคางซ้อนกันหลายชั้นกลายเป็นสีเขียวนายผิวขิงตั้นก็บอกว่าหากทั้งนี้มีสัตว์ชั้นต่ำที่ต้องจัดการทางเราก็มีชนชั้นต่ำให้ต้องจัดการเหมือนกันมุกนี้เล่นเอาทุกฝ่ายหัวรอกันงอหายทั้งโต๊ะ แล้วนายผิวคิงตันก็แสดงความยินดีกับพวกหมูอีกครั้งที่สามารถปันส่วนอาหารให้สัตว์ได้น้อยแล้วก็ตั้งชั่วโมงการทำงานได้ยาวนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องพนาพนอใดๆเลยตามที่เขาได้สังเกตเห็นแล้วใน Animal Farm มในที่สุดนายผิวคิงตัน ก็เชิญชวนที่ประชุมให้ลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งเติมเบียร์ให้เต็มแก้วท่านสุภาพบุรุษผมขอจะดื่มอวยพรแก่ท่านแด่ความเจริญรุ่งเรืองของ Animal f ฟ r ร์มมีเสียงร้องเสียงกระทึบเท้าสนับสนุนนโปเลียนปลื้มใจจนถึงกับลุกจากหัวโตเดินอ้อมมาชนถ้วยเบียร์กับนายพิวคิงตัน ก่อนจะดื่มรวดเดียวจนหมดเมื่อเสียงร้องสนับสนุนค่อยๆแผ่วลงนโปเลียนซึ่งยังยืนอยู่ก็บอกว่าตนก็มีอะไรจะกล่าวเช่นกันคำกล่าวของนโปเลียนก็เหมือนสุนทรพจน์ทุกครั้งของเขาคือสั้นและก็ตรงประเด็นเพราะว่านโปเลียนเป็นคนพูดน้อย น้ปเรียนบอกว่าเขาเองก็ยินดีที่ช่วงเวลาแห่งความเข้าใจผิดมันได้สิ้นสุดลงแล้วมีข่าวลือมานานแล้วซึ่งตนก็มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าศัตรูผู้มุ่งร้ายเป็นตัวแพร่ออกไปให้ลือกันว่าตนและเพื่อนร่วมงานมีทัศนะบางประการที่มุ่งล้มล้างระบบและก็ก่อการปฏิวัติ พวกตนถูกใส่ความว่าพยายามก่อวอดให้สัตว์ในไร่ข้างเคียงก่อกอบฏขึ้นซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความจริงเลยเพราะความปรารถนาอย่างเดียวของพวกตนไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอดีตก็คือความปรารถนาที่จะอยู่อย่างสันติและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามปกติวิสัยกับเพื่อนบ้าน นโปเลียนกล่าวเสริมอีกว่าฟาร์มแห่งนี้มันได้รับเกียรติให้ควบคุมดูแลเป็นกิจการสหกรณ์โฉ น, นดที่ดินซึ่งอยู่ในครอบครองของตนนั้นพวกหมูทั้งปวงเป็นเจ้าของร่วมกันนโปเลียนบอกว่ามันไม่เชื่อหรอกว่าความคลางแคลงแต่เก่าก่อนนั้นยังคงค้างคาอยู่แต่เมื่อไม่นานมานี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางประการในเรื่องกิจวัตรของฟาร์มซึ่งน่าจะส่งผลดีในทางการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่เดิมทีสัตว์ในไร่เคยมีธรรมเนียมโง่เงาเรียกกันและกันว่าสหายแต่เรื่องนี้ได้ห้ามไปแล้วแล้วก็ยังเคยมีธรรมเนียมพิกลซึ่งไม่ทราบที่มา เกณฑ์ใหสัตว์เดินสวนสนามทุกเช้าวันอาทิตย์ผ่านกระโหลกของหมูตัวผู้ซึ่งตอกตะปูตรึงเอาไว้กับหลักในสวนทมเนียมนี้ก็ได้ถูกสั่งห้ามแล้วเช่นกันกระโหลกดังกล่าวก็ได้นำไปฝังเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็หมายถึงกระโหลกของผู้พันหมูอาวุโสที่เป็นผู้ เป็นผู้ริเริ่มประเด็นของการปฏิวัติยึดอำนาจมาจากมนุษย์ท่านภู้พันซึ่งเป็นคนปลุกเร้าอุดมการณ์ให้สัตว์ทั้งหลายลุกขึ้นสู้แล้วก็มีการประกาศอิสรภาพเป็นความฝันร่วมกันของสัตว์ทั้งมวลผู้พันซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของสัตว์ทั้งหลาย แล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าจุดไฟการปฏิวัติให้กับบรรดาสัตว์ตอนนี้ผู้พันกำลังจะถูกลืมนบโปเลียนบอกว่าคนที่มาเยืนฟาร์มแห่งนี้อาจจะสังเกตเห็นธงเขียวที่ยอดเสาและก็คงจะเห็นว่ากีบตีนสีขาวและเขาสีขาวที่เคยปรากฏบนผืนธงนั้น ได้ถูกลบออกจากนี้ไปทงจะเป็นทงสีเขียวล้วนนัโปรเรียนยังกล่าวต่อไปอีกว่ามันมีคำวิจารณ์เพียงประการเดียวเรื่องสุนทรพจน์อันวิเศษเยี่ยงเพื่อนบ้านที่ดีของนายพิวคิงตันนางพิวคิงตันใช้คำว่าแอนิมอลฟาร์มตลอดสุนทรพจน์แต่แน่นอนว่า นายพิวคิงตันคงไม่อาจจะล่วงรู้ได้เพราะมันจะประกาศณนะบัดนี้ประกาศเป็นครั้งแรกว่าจะยกเลิกชื่อแอนิมอลฟาร์มไปแล้วนับแต่นี้ต่อไปฟาร์มแห่งนี้จะใช้ชื่อว่าแมนเนอร์ฟาร์มซึ่งนโปเลียนบอกว่านี่เป็นชื่อที่ถูกต้องและเป็นชื่อของฟาร์มมาแต่เดิม กลับไปใช้ชื่อเดิมไม่ใช้ a n i m ม l f ฟ r m ์มแล้วท่านสุภาพบุรุษข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้ดื่มอวยพรเช่นเดิมแต่ในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจงเติมเบียร์ให้เต็มแก้วเถอะท่านสุภาพบุรุษข้าพเจ้าขอดื่มอวยพรดังนี้ขอดื่มอวยพรแด่ความเจริญรุ่งเรืองของ m a n o น f a r ฟร์ม มีเสียงโห่ร้องสนับสนุนดังลั่นขันแข็งเหมือนก่อนหน้านี้ทั้งคนทั้งหมูยกเบียร์ดื่มกันจนเกลี้ยงถ้วยขณะมองดูเหตุการณ์ภายในบ้านจากข้างนอกพวกสัตว์ก็รู้สึกว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอะไรน้อที่เปลี่ยนแปลงไปบนใบหน้าของพวกหมู สายตาอันเชราภาพและฝ้าฟางของโคเวอร์มองจากใบหน้าหนึ่งไปยังอีกใบหน้าหนึ่งหมูบางตัวใบหน้ามีคางห้าชั้นบางตัวมีสี่บางตัวมีสามแต่อะไรหนอที่ดูเลือนละลายหายไปจากนั้นเสียงปรบมือก็หยุดลงชาวคณะในบ้านหันกลับมาเล่นไพ่ต่อ พวกสัตว์นอกบ้านก็ค่อยๆ ย, ย, ย่องพระออกมาแต่พอเดินไปได้ไม่ถึง20บหลาก็ต้องชะงักกลางคันมีเสียงเอะอะดังออกมาจากบ้านพวกสัตว์กรูกันกลับไปแอบมองทางหน้าต่างอีกครั้งปรากฏว่าตอนนี้ในบ้านกำลังเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรง มีเสียงตะโกนมีการทุบโตะ๊ะมีการบรีตามองกันอย่างหวาดประแวงมีการปฏิเสธอย่างดุเดือดเสียงแข็งปัญหาก็คือนปโปเลียนและนายพิวขิงตันต่างก็ถือไพ่เอโพดำเหมือนกันทั้งคู่12เสียงตะโกนใส่กันด้วยความโกรธเกรี้ยวเหมือนกันหมด บัดนี้มีต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของพวกหมูสัตว์นอกบ้านมองดูหมูแล้วก็มองดูคนมองดูคนแล้วก็มองดูหมูแต่พวกมันไม่สามารถจะแยกออกได้แล้วว่าใครเป็นใคร คือ Animal Farm ผลงานการเขียนของ George Orwell ซึ่งเป็นนามปากกาของยูริ a r c h e r บ a i r หนึ่งในนักเขียนชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงและก็มีผลงานเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากที่สุด Orwell มีงานเขียนหลากหลายแต่ว่าโดดเด่นในงานประเภทนวนิยายและความเรียง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองการวิพากษ์วัฒนธรรมและสังคมอังกฤษออเวลมีชีวิตที่ผ่านประสบการณ์โชคชนนับตั้งแต่การรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศพมา่าสมัยที่พมา่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษซึ่งหลายคนเชื่อว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เขาฝังใจกับสังคมเผด็จการ อเวลเคยมีประสบการณ์ครุกคลีกับกลุ่มคนชนชั้นกรรมาชีพในกรุงลอนดอนและปารีสเคยอาสาเข้าร่วมรบกับฝ่ายริพับลิกันในสงครามกลางเมืองของสเปนเมื่อปี1936ทําทำให้งานเขียนของเขาทำหน้าที่คล้ายบทบันทึกภาพเบื้องหลังทางสังคมและการเมืองยุโรปแห่งยุคสมัยของเขาได้ครอบคลุมและก็น่าศึกษา อเวลเริ่มเขียน Animal f a r ร์มในปี1943 <are> ทากลางสงครามโลกครั้งที่2และก็ได้รับการตีพิมพ์ในปี1945 <Clement ine. S 2> ชื่อเต็มของเรื่องนี้ก็คือ Animal Farm A Fairy Story Animal Farm แม้ไม่ใช่นั้งสือเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ของ George Orwell แต่ Animal Farm มเป็นหนังสือขายดีเล่มแรกของเขา <My darling. S 1> และทำให้เขากลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในระดับกว้าง <are> หลังจากนั้นเขาก็เขียนนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งก็คือ1 9 8ชนอ1984ซึ่งก็กลายเป็นวรรณกรรมอมาตะเช่นกัน อเวเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่ตลอดเขาเสียชีวิตจากวัณโรคด้วยวัยเพียง46ปีในปี1950นอกจาก a n i m ม l f ฟ r m ์มและนาย4ีนเอตฟสองวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องให้อยู่ใน100นวนิยายดีเลิศของศตวรรษที่20 อเวลยังมีผลงานคุณภาพอีกหลายเล่มอาทินวนดิยายเรื่อง b e r m i s e like Days* like แล้วก็เรื่อง k i e h e r as p e d s t r a f r y i n g แล้วก็ความเรียงเรื่อง *Down and Out in Paris and London* oh, และเรื่อง Homage to Catalonia และเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะคะ f o r m i n g b r i g h Oh my darling Oh my darling Oh my darling Clementine You are lost and gone forever d e a f u l song หลังจากอ่านเรื่องนี้หรือว่าฟังเรื่องนี้แล้ว so คุณผู้ฟังชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษไหมคะนโปเลียน oh oh <Napoleon. S 2> หมูที่ไม่ค่อยพูด <You are S 2> เป็นตัวของตัวเองสโนบอลหมูคล่องแคล่วสร้างสรรค์สกิ e เลอร์เป็นหมูที่พูดเก่ง แล้วก็เก่งในเรื่องของการเบี่ยงประเด็นพูดดำให้เป็นข่าวม้ามอลลี่ห่วงแต่เรื่องกินรักสวยรักงามม้าบ็อกเซอร์คาจะทำงานให้หนักขึ้นพวกแกชอบร้องประสานเสียงว่าสีขาดีสองขาเลวลาเบนจามิน นิ่งเฉยไม่อยู่ฝ่ายใดไม่เชื่อว่าจะมีอาหารการกินสมบูรณ์แล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเหนื่อยน้อยลงแล้วมันก็เชื่อว่าชีวิตต้องดำเนินอย่างเคยคือเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำเค็นมาโคเวอร์ over, ผู้ซึ่งรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงอันไม่ชอบมาผากน คือเคยมีการสรุปบุคลิกของบรรดาสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้เหมือนกับใครคือหรือว่าเราเองเนี่ยมีบุคลิกเหมือนกับสัตว์ตัวไหนในเรื่องนี้ oh darling, oh darling, oh ที่สำคัญก็คือตัวละครต่างๆคือจริงๆ แต่ละตัวนี่มันก็จะมีบุคลิกที่มากกว่าที่พูดน่ น, นะคะอย่างไรก็ตามบุคลิกของตัวละครไม่ว่าจะเป็นนโปเลียนสโนบอลสก s วลเลอร์บ็อกเซอร์เบนจามินโคเวอร์ก็เป็นตัวละครที่พบได้ทุกยุคทุกสมัย <Clement ine. S 1> แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป <My> รวมไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Animal Farm มก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพล็อตเดิมๆของมนุษยชาติว่ากันว่าจอร์จตอเวลไม่ได้ต้องการที่จะให้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านระบบใดระบบหนึ่ง Water, <every> ตัวของเขาเองนั้นยึดมั่นในแนวคิดแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยที่ไม่มีระบบชนชั้นเขาไม่เชื่อในบทบาทของรัฐ และก็ไม่เชื่อในระบบทุนนิยม oh, oh, และสิ่งสำคัญที่ Animal Farm ได้บอก <and S 2> แล้วก็เป็นความจริงที่น่าเศร้าก็คือมนุษย์แม้ว่าจะสามารถหลีกหนีจากระบอบการปกครองแบบใด oh, both, both แต่บ่อยครั้งที่มนุษย์ก็ไม่สามารถหลีกหนีจากการกดขี่และกระทำ ต่อพวกเดียวกันเอง oh, oh, คือนี้จากพวกหนึ่ง oh, ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ oh, <my> แต่เมื่อไม่มีศัตรู oh, <my> ก็มากดขี่กันเองแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างอำนาจ ที่ต่อสู้กันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองนี่เป็นโศกนาฏกรรมการปกครองมาแทบทุกยุคทุกสมัยอย่างที่บอกก็เป็นพราะที่เกิดขึ้นซ้ำๆห <Clement ine. S 1> นีจากระบอบหนึง่งหนีจากผู้นำคนหนึง่งแล้วก็มาเจอเอาอีกแบบหนึ่งซึ่งบางทีนี่เผลอๆอาจจะเลวร้ายกว่าเดิม Animal f ฟ r m จึงเป็นได้ทั้งนิยายที่อ่านสนุกเปี่ยมอารมณ์ขันแบบเสียดสีเจ็บเจ็บคันๆันและขณะเดียวกันก็เป็นนวนิยายที่ให้แง่คิดแล้วก็สะท้อนความเป็นจริงบางอย่างวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าคุณนฟังคงจะสนุกกับ a n i m ม l f ฟ r ร์ม สงครามกบฏของสัพสัตนะคะของจอร์จออเวลและถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเล่มไหนอย่างไรติดตามได้ในห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะลาคุณไปก่อนขอบคุณสำนักพิมพ์ใต้ฝุ่นนะคะสำหรับหนังสือ Animal Farm มสงครามกบฏของสัพสัต สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องใหม่ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.